พรุ่งนี้หลวงพ่อไม่อยู่นะพรุ่งนี้ไปต่างจังหวัดรายการเดินทางเยอะมากเลยนไปก็คุ้มค่าเพราะว่าเราเหนื่อยคนหนึ่งทีมแต่คนได้ฟังธรรมะเนี่ยเยอะหลายพื้นที่ก็กพพาวนากันดีมากๆเลยน่าทึ่ง คนรู้หลักของการปฏิบัติตเดิมคนจานวนมากเลยทิ้งศาสนาไปแล้วมองไม่ออกว่ามีประโยชน์อะไรรู้จักศาสนาในเรื่องศาสนาพิธีทำพิธีพิธีก็เหลืออยู่งานเดียวแล้วงานศพงานอื่นไม่ค่อยมีละคนเข้าวัดก็ไม่เห็นมีอะไรมีแต่ถูกเรียอลัยไม่เห็นประโยชน์ของศาสนา ประโยชน์ที่คนส่วนใหญ่มองเห็นก็แค่เรื่องไปหาโชคหาลาภสะดอกเคราะห์เอาให้เฮง<ม>เงอะไรแานั้ศาสนาแบบนั้นมันไม่สามารถสนองความต้องการที่แท้จริงของคนได้มันแค่ทำให้สบายใจไปวันหนึ่งวันหนึ่งเท่านั้นเองดูเราไร้สาระไม่มีประโยชน์ไม่ถึงอกถึงใจของคนรุ่นเรา มาถึงรุ่นเราเนี่ยเราเห็นความไม่แน่นอนของชีวิตเยอะพวกเราไม่เหมือนคนแตก่ก่อนคนแต่ก่อนเขาทำไร่ทำนาชีวิตเขามั่นคงแบบชาวไร่ชาวนาอยู่กันกี่ปีกี่ปีกป็เหมือนเดิมชีวิตพวกเราเ่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากเลยวันนี้รวยพรุ่งนี้อาจจะล้มละลายแล้วก็ได้ในพริบตาเดียวเท่านทธุรกิจพลาดทีเดียวล้มได้ง่ายๆเลย ชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนการแข่งขันสูงแต่ก่อนช่วยกันทํามาหากินญาติพี่น้องช่วยกนันนี้ก็แย่งเงินทํามาหากินคือความเสี่ยงสูงความเครียดสูงสิ่งเหล่านี้เหมาะธรรมะเนี่ยเหมาะมากเลยกับคนรุ่นเราพระพุทธเจ้าได้แหละสอนให้เรารเผชิญหน้ากับความไม่แน่นอนสอนให้เรารเผชิญหน้ากับความเครียดความทุกข์ ด้สติด้วยปัญญาเป็นอาวุธสําคัญที่ท่านมอบไว้ให้เราในคนรุ่นเราเนี่ยไม่ได้ต้องการธรรมะแค่เลื่อนเลื่อยๆสบายใจไม่ใช่ละพอหลวงพ่อสอนธรรมะที่จริงจังมากๆเลยคือปฏิบัติเราปฏิบัติต้องเห็นผลได้ด้วยไม่ใช่ทําไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งจะค่อยเห็นผลอะไรงี้ยมันคล้ายๆฝันๆเนา ธรรมะของพระพุทธเจ้านะ่าอัศจรรย์ที่สุดนะถ้าเราเข้าใจเราพ้นทุกข์เดี๋ยวนี้ไม่ใช่พ้นทุกข์ชาติหน้าไม่ต้องรอไกลยนันเราไม่แปลกหรอกที่ทุกวันนี้นะคนฟังซีดีหลวงพ่อเยอะแยะไปหมดเลยอ่านหนังสือฟังซีดีเวลาไปที่ต่างๆนะแต่ก่อนพระบายไม่มีคนรู้จักหรอก เขาไม่รู้จักหน้าเราเขาได้ยินแต่เสียงถ้าเราไม่พูดให้เขาได้ยินนะเขาก็เฉยๆนี่ตั้งแต่ออกหนังสือพิมพ์ออกโทรทัศน์คนรู้จักหน้าเยอะไปไหนคนมาหานะเขามากราบมาไหว้สิ่งที่เหมือนๆกันคือเขาบอกว่าเขามาขอบคุณชีวิตเขาเปลี่ยนเขาสามารถปลดเปลื้องความทุกข์ออกจากจิตใจของเขาได้ต่อหน้าต่อตา ในเวลาไม่นานหอกบางคนก็ฝึกไม่นานไม่กี่เดือนบางคนก็ปี2ปี3ปีอะไรอย่างเงี้หลวงพ่อก็จะบอกเลยไปขอบคุณพระพุทธเจ้านะธรรมะของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของหลวงพ่อธรรมะของท่านงดงามในเบื้องต้นงดงามในถ้ากลางงดงามในที่สุดไพเราะจับอกจับใจ ยิ่งเราศึกษายิ่งเราปฏิบัติความทุกข์มันกะเด็นหายไปจากใจเราอย่างอัศจรรย์ที่สุดเลยไม่ต้องร้องขอให้ใครมาช่วยเลยเราช่วยตัวของเราเองได้นี่ธรรมะของท่านอัศจรรย์สอนให้เราช่วยตัวเองให้ได้ไม่ใช่สอนให้เราพึ่งพาผู้อื่นสิ่งอื่นท่านให้เรามีศรณะมีท่านเป็นที่พึ่งมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่ง แต่ที่พึ่งไม่ใช่แปลว่าท่านจะมาช่วยเราให้พ้นทุกข์ท่านเป็นแบบอย่างให้ของผู้พ้นทุกข์ท่านสอนทางพ้นทุกข์ที่ท่านเดินมาแล้วท่านทำได้แค่นั้นเองที่เหลือเราต้องทำเอาเองเราต้องปฏิบัติเอาทางที่ท่านสอนนะชัดเจนไม่มีอะไรที่คลุมเครือไม่มีอะไรที่ต้องสงสัยเลย ขอให้ลงมือทำให้ถูกเท่านั้นเองมีสองช้อยเอยงนะอันแรกทำให้ถูกทางอันที่สองทำให้สมควรแก่ธรรมะไม่ใช่ทานิดนิดหน่อยๆน่อยนะหลายคนใจร้อนสะสมกิเลสมานับเวลาไม่ท้วนนะภาวนาสองสามเดือนอยากได้ละมนี่หลวงพ่อเคยรู้จักคนหนึ่งนะพี่คนหนึ่งเขาประกาศเลยว่าเขาต้องได้ธรรมะในสามเดือน นั่นกำหนดเลยนะเขาเป็นคนที่เก่งทางโลกมากเลยระดับจีเนียสเลยบอกว่าสมเดือนเขาจะต้องบรรลุธรรมสสปีแล้วยังไม่บรรลุเลย30สปีนันไม่ใช่3มเดือนผ่านมา30สปีแล้วที่รู้จักทำไม่ได้ธรรมะต้องปฏิบัติให้ถูกทาง้าถูกแล้วต้องขยันทำบ้างเล่นบ้างมันก็ได้แต่ธรรมะ ถูๆไถๆ ไ, ไปวันหนึ่งนะถ้าอยากฝึกจนจิตใจเราเข้าถึงฝั่งพ้นทุกแล้วไม่ต้องตะเกียกตะกายต่อไปนะไม่ต้องสู้ตายมันไม่เหลือวิสัยที่คนธรมธรมดาๆอย่างพวกเราจะทําได้มันเหลือวิสัยเฉพาะคนที่ไม่รู้ทางดิ้นรนแทบตายเหนื่อยแทบตายก็ได้แค่นั้นแหละ อย่าไปฝึกนั่งสมาธิหวังว่านั่งสมาธิมากๆแล้ววันหนึ่งจะหลุดพ้นก็นั่งไปก็ได้สงบอยู่ไปนานๆก็ฟุ้งขึ้นมาอีกเลนั่งอีกนี่พวกไม่รู้ทางลําบากไม่รู้จักจบจากสิ้นเมื่อวานก็มีพระมาเล่าพระมาจากทางใต้มาเล่าให้ฟังบอกวัาวานหนึ่งก็มีพระองค์หนึ่งไม่รู้จักนะเดินเข้ามาในวัดเลยบอกผมเป็นพระอรหันต์ผมจะมาสอนท่าน แล้วนะสอนยังไงท่านปฏิบัติยังไงโอ้ยไม่ต้องไปทําหรอกสติปัฏฐานอะไรนะใช้การพิจรารณาเลยเนี่ยตั้งคําถามแล้วนะตั้งคําถามตัวเองแล้วก็หาคําตอบถามแล้วก็ตอบถามแล้วก็ตอบวันหนึ่งใจมันก็แจ้งนะําผมไม่ยึดอะไรเลยเนี่ยนะผมไม่ยึดเลยพระพุทธเจ้าผมยังไม่ยึดเลยนะองนี้ท่านก็ฉลาดนะท่านก็ฟังยังไม่เถียงหรอก ท่านถามเอาสติปัฏฐานก็ใช้ไม่ได้เหรอครับไม่ได้เชื่อผมสิท่านรู้สึกไหมผมเนี่ยมันรุนแรงอะ่ะรีบตกใจรีบหันไปซักฟอกตัวเองอ่ะหลุดแล้วผมหลุดแล้วโอ้ว่าละหันนะมันหลุดเป็นกล่าวๆเนี่ยพวกไม่รู้ทางพวกไม่รู้ทางไม่รู้เอกกายนามัคทางสายเอกก็นึกเอาเองว่าทําอย่างนี้จะหลุดพ้นทําอย่างนี้จะหลุดพ้น ทำแล้วนั่งคิดพิจารณาไปเรื่อยก็ได้สบายใจคิดไปเรื่อยก็สบายใจแล้วก็อิ่ม อ, อกอิ่มใจตองอิ่ม อ, อกอิ่มใจไม่เห็นแล้วงั้นจุดสำคัญเลยเราต้องรู้ทางให้ได้ต้องเรียนทางทางสายนี้ชื่อเอกายนามัคถ้ารู้ทางแล้วก็ต้องขยันเดินถ้ายังไม่รู้ทางก็อย่าเพิ่งขยันมันจะออกนอกทางยิ่งเดินยิ่งหลงทางไปไกล อย่างอยู่ที่สีราชานีอยากไปเชียงใหม่นะตั้งเข็มเดินให้ถูกทิศทางเดินไปทางตะวันออกนะั้นมันจะไปถึงพนมเปนไม่ไปถึงเชียงใหม่ต้องรู้ทางเอกายนามัตนะแปลได้ว่าทางสายเอกแต่คำว่าทางสายเอกนะแปลได้หลายอย่างอันแรกเลยคือทางของท่านผู้เป็นเอกคือทางของพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่คนพบอันที่สอง เป็นทางเส้นเดียวเป็นทางสายเดียวที่จะนําไปสู่ความพ้นทุกข์แล้วก็เป็นทางของท่านผู้ไปครั้งเดียวทางเอกเนี่ยหมายถึงไปครั้งเดียวแล้วไม่ต้องไปอีกเดินแล้วถึงแล้วถึงเลยไม่ต้องมาเดินอีกเนี่ยแปลได้หลายอย่างนะจนกระทั่งภาวนาจนถึงธรรมเอกเดินอยู่ในทางสายเอกก็ไปถึงธรรมที่เป็นเอก ทำที่เป็นหนึ่งทำที่เป็นคู่ยังไม่ไม่ใช่ทำที่พึ่งพาอาศัยได้เปนของแปรปรวนได้อีกยงความสงบเนี่ยไม่ใช่ที่พึ่งวความสงบมีคู่ของมันคือความฟุ้งซ่านนะความดียังไม่ใช่เป็นที่พึ่งที่อาศัยได้ความดียังมีคู่ของมันคือความเหลวนะเราจะเรียนะนะรู้สิ่งที่เป็นคู่คู่นะั้นสุดท้ายเข้าไปสู่สิ่งที่เป็นหนึ่ง ทางสายเอกนี้ถ้า ย, ย่อๆออกมานะก็มีอันเดียวเท่านั้นแหละคืออริยมรรคกระจายออกไปก็มีองค์8ถ้าแปดมากไปย่อลงมาก็เป็นสมคือศีลสมาธิปัญญาเะฉั้นศีลสมาธิปัญญาก็ต้องครบถ้าศีลสมาธิปัญญาไม่ครบองค์มรรคก็ไม่ครบ8ในองค์มรรคมรรคมีองค์8ดเนี่ยมรรคในมีหนึ่งนะ แต่มีองค์ประกรอบ8อย่างไม่ใช่มาก8นะมาก8ปนะั่นเรียกมากๆ ม, มากไปมากมี1เท่านั้นแหละแต่มีองค์ประกรอบ8อย่างเหมือนแมงมุม1ตัวมีขา8ขาดัมี1 8ึ่ขาหรือองคนะ์8ปดย่อลงมาก็เป็นศีลสมาธิปัญญาสมาธิทิความเห็นถูกสัมมาสังกัปปะความดํารีถูกดํารีชอบนี่เป็นส่วนของปัญญา สัมมาวาจามีวาจาชอบสัมมากัมมันตะมีการงานชอบก็คือมีศีลข้อหนึ่งข้อสองข้อสามเองสัมมาวาจาคืศีลข้อสีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอชีระการเลี้ยงชีวิตที่ชอบที่ควรนี่เป็นส่วนของศีลสัมมาวายามาสมาสติสมมาสมาธิเป็นส่วนของการฝึกจิตฝึกใจเป็นส่วนของสมาธิ เนี่มรคมีองค์แปดย่อลงมาก็คือศีลสมาธิปัญญาถ้าไม่ครบอริยมรคจะไม่เกิดะนั้นถ้าเจริญมีศีลอย่างเดียวนะไม่ฝึกจิตไม่เจริญปัญญาก็ไม่มีอริยมรคฝึกจิตอย่างเดียวไม่มีศีลไม่มีอริยมรคเจริญปัญญาอย่างเดียวพิจนาลูกเดียวเลยไม่มีศีลไม่จะมีสมาธิไม่มีการฝึกจิตฝึกใจรองรับ ก็ไม่มีอรียมรรคเวลาฝึกเราฝึกให้ได้ครบนะนี่มันตั้งแปดนะจะฝึกให้มันได้ครบไม่ใช่ง่ายต้องรู้ก่อนว่ากุศลทั้งหลายเนะี่ยรากเงาของมันคนะือสตนะิมีสติที่ถูกต้องก็จะมีศีลนะมีสติถูกต้องจิตใจก็จะอยู่ในความตั้งมั่นนะมีสมาธิขึ้นมามีสติถูกต้องเดินสติถูกต้องก็จะเกิดปัญญาขึ้นมา ขั้นแรกก็มาพัฒนาเครื่องมือฝึกให้มีสติบ่อยๆสติไม่ใช่ของที่พูดเล่นๆทุกวันนี้เราชอบพูดเราไปยืมศัพท์ของพระพุทธเจ้ามาใช้นะแล้วใช้ต่ำระดับมากเลยยางบอกดื่มสุราทำให้ขาดสติอะไรเงี้ยไม่ดื่มก็ขาดสติคนในโลกไม่มีสติหรอก มีสติธรมธรมดาธรรมดาเดินไม่ตกท่อขับรถไม่ตกถนนก็ว่ามีสติแล้วนีคนละระดับกันพระพุทธเจ้าอาธิบายคําว่าสติด้วยสติปัฏฐานอาธิบายสมาธิด้วยฌานอัปนาสมาธิถ้าเราจะฝึกสตินะเรามาเรียนเรื่องสติปัฏฐานสติปัฏฐานนะัมีสองส่วนส่วนหนึ่งทำไป เพื่อให้เกิดสติส่วนหนึ่งทำไปเพื่อให้เกิดปัญญาเจริญสติปัฏฐานยังไงให้มีสติหัดรู้สภาวะบ่อยๆหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกยืนรู้สึกเดินรู้สึกนั่งรู้สึกนอนรู้สึกนี่มีกายเป็นฐานถ้ามีกายเป็นฐานก็ดูอย่างนี้นะเห็นร่างกายมันยืนเดินนั่งนอนเวลาใจมันหลงไปจากร่างกายหลงไปจากลมหายใจถ้าใช้ลมหายใจเป็นฐาน หายใจไปเพื่อให้มีสติแต่ไม่ใช่หายใจเพื่อบังคับให้จิตสงบหายใจไปให้มีสติหายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวรู้อิริยาบถสี่ไปรู้แล้วรู้สึกตัวรู้แล้วรู้สึกตัวรู้อิริยาบถย่อยอย่างขยับเนี่ยเป็นเรื่องของการรู้อิริยาบถย่อยเรียกสัมปชัญญะบับเคลื่อนไหวรู้สึกหยุดนิ่งรู้สึกรู้สึกทําไปเพื่อความรู้สึกตัว แค่ไม่ทำให้สมัครทิ้นะไม่ได้ทำเพื่อให้สงบอย่างเดียวทำไปเพื่อจะรู้สึกตัวหายใจไปคอยรู้สึกตัวยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกตัวเคลื่อนไหวหยุดนิ่งคอยรู้สึกตัวนะาการที่เราคอยรู้สึกตัวบ่อยๆนะต่อไปจิตใจมันเคยชินที่จะรู้สึกตัวเวลาเผลอๆนะพอร่างกายเราขยับเท่านั้นนะมันรู้สึกตัวขึ้นมาได้นะหรือเราเคยหายใจเรารู้สึกตัวนะเวลาเราเกิดกิเลส สังเกตไหมเวลาเราเกิดกิเลสเนี่ยจังหวะการหายใจจะเปลี่ยนใครเคยเห็นตรงนี้บ้างสังเกตไหมเวลาโกรธลมหายใจเปลี่ยนรู้สึกไหมหายใจเป็นไงนุ่มนวลยาวไหมไม่นะหายใจเพื่อเพือเเลยใช่ไหมยิ่งโกรธแรงยิ่งหายใจแรงรู้สึกไหมถ้าเราเคยหายใจเรารู้สึกหายใจเรารู้สึกนะเพราะเราเผลอนะจังหวะการหายใจเปลี่ยนนิดเดียวมรู้สึกขึ้นมาแล้วเฮ้ยเผลอไปละตัวตที่รู้ทันใจที่มันเผลอไปแล้วเนี้นะมันรู้สึกขึ้นมานะ กลับมารู้สึกตัวได้เนิหัดรู้สึกบ่อยๆนะมีสติอยู่ในกายก็เพื่อจะได้ความรู้สึกตัวได้จิตที่ตั้งมั่นขึ้นมานะมีสติระลึกรู้เวทนาหัดดูไปร่างกายเดี๋ยวก็สุขร่างกายเดี๋ยวก็ทุ ก, กข์จิตใจเดี๋ยวก็สุขจิตใจเดี๋ยวก็ทุกข์จิตใจเดี๋ยวก็เฉยๆหัดดูไปต่อไปพอความรู้สึกมันเปลี่ยนนะก็จะรู้สึกตัวขึ้นมาเน่ิหัดให้มีสติคอยรู้ทันสภาวะไว้นะสิ่งที่ได้มาจะได้ความรู้สึกตัว ความรู้สึกตัวเนี่ยประกอบด้วยสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตประกอบด้วยสติด้วยมีสติเป็นตัวรู้ทันมีใจตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่เราฝึก อ, อย่างนี้ต่อไปเรื่อยนะต่อไปเราจะมาก้าวไปสู่การเจริญปัญญาพอเราพัฒนาเครื่องมือคือสติกับสมาธิขึ้นมาได้แล้วนะขั้นต่อไปก็ามาเจริญปัญญาทาสติปัฏฐานยังไงให้เกิดปัญญา ปัญญานั้นเห็นอะไรปัญญาเห็นไตรลักษณ์ต้องเข้าใจตัวนี้ให้แม่นปัญญาไม่ใช่เห็นรูปนามอย่างบางคนบอกดูท้องพองยุบแล้วทำวิปัสสนานะไม่ใช่วิปัสสนาปัญญาต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามนั่งคิดพิจารณาว่าร่างกายเป็นปฏิกูณาสุภาอันนี้ไม่ได้เห็นรูปนามนะยังไม่ได้เดินปัญญางั้นถ้าจะมีปัญญาได้ต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปของนาม ทำไงจะเกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามนะอาศัยการทําสติปัฏฐานนั่นแหละทำต่อไปอีกแต่พอมันรู้สึกตัวแล้วนะให้มีสติระลึกรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจนะมีใจที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะนี่มีสติแก่มีสมาธิสมาธิคือความตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะนี่เราฝึกขึ้นมาได้นะจากการที่ฝึกสติปัฏฐานเบื้องต้น เคื่องต้นอย่างหายใจไปจิตหนีไปรู้ทันหายใจไปจิตหนีไปรู้ทันจะได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิพอได้สติได้สมาธิแล้วมัเดินปัญญาอย่ารู้สึกตัวอยู่เฉยๆบางคนไปรู้สึกตัวอยู่เฉยๆแล้วไปประคองความรู้สึกตัวให้เฉยๆยังเป็นสมถะยังไม่ขึ้นไปปัสนาจะขึ้นไปปัสษนษาได้นั้นต้องเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามจะเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามได้อาศัยสติ ระลึกรู้รูปนามอาศัยความตั้งมั่นของจิตจิตแยกออกจากรูปนามนะมาเป็นคนดูรูปนามมาดูกายดูใจจิตแยกออกมาเป็นคนดูตัวนี้แหละตัวแตกหักเลยว่าเราจะดูได้หรือไม่ได้สมัยก่อนที่หลวงพ่อไปฝึกเรียนจากครูบาอาจารย์นะท่านจะสอนคําว่าจิตผู้รู้ไปที่ไหนที่ไหนท่านก็พูดแต่คำว่าจิตผู้รู้ทุกองค์เลยเหมือนกันหมดเลยมีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมา ของทางสายส่วนโมกนะท่านพุทธทาสมีบทส่วนมนนะพุทโธ ท, ท่นานังแปลอยู่พุทโธว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี่เรามาฝึกตอนนั้นครูบาอ จ, จารย์สอนให้จิตเป็นผู้รู้แ้าจิตเป็นผู้รู้ได้แล้วสติระลึกรู้กายมันจะเห็นไตรลักษณ์ของกายถ้าจิตเป็นผู้รู้สติระลึกรู้เวทนาจะเห็นไตรลักษณ์ของเวทนาถ้าจิตเป็นผู้รู้ระลึกรู้ ถึงความปรุงแต่งปรุงดีปรุงชั่วคือสังขารก็จะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของสังขารถ้าจิตเป็นผู้รู้นะเห็นวิญญาณคือความรับรู้ที่เกิดดับทางตาหูจมูกเลนกายใจจนะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของวิญญาณอของจิตนั่นเองจิตคําว่าจิตเคำว่าวิญญาณตัวเดียวกันนะมีความหมายแบบเดียวกันคือความรับรู้อารมณ์ถ้าจิตตั้งมั่นได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไดนะ้จะเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามได้เห็นได้ยังไง อย่พอใจเราเป็นคนดูอยู่เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูมันจะรู้สึกทันทีเลยร่างกายกับจิตใจเป็นคนละอันกันนะร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตใจอยู่ส่วนหนึ่งเป็นคนละอนกันร่างกายเขาหายใจไปนี่ไม่ใช่ตัวเรานะเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้าเท่านั้นเองมันลดสภาพจากตัวกูนะกลายเป็นของกูเะมันลดระดับลงจากร่างกายคือตัวกูนะพอจิตตั้งมั่นเป็นคนดูถนะ้าร่างกายตกันดับลงไปเป็นแค่ของกู ดูไปเรื่อยๆรวงวันหนึ่งแจ้งขึ้นมาไม่ใช่ของกูหรอกกูบังคับไม่ได้นะเนี่ยค่อยทําลายกระทั่งของกูลงไปอีกเขาไม่มีตัวกูไม่มีของกูนะมันเป็นของใครเป็นของโลกแล้วตัวมันเป็นอะไรเป็นแค่สภาว ะ, ะเป็นแค่สภาวะธรรมเป็นรูปธรรมนะเป็นธาตุดินน้ําไฟลมนั่ไม่ใช่ตัวกูละแต่ว่าเป็นสภาวะธรรมไม่ใช่ของกูนะมันเป็นของโลกนะ เนีหัดดูนะพอจิตมันแยกออกมาเป็นคนดูได้ไม่เห็นร่างกายไม่ใช่ตัวกูของกูไปดูที่เวทนาคือความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ในร่างกายความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆในจิตใจทีแรกเราก็จะรู้สึกว่าเราสุขเราทุกข์นะความสุขความทุกข์เป็นเราเดูไปดูไปพอความสุขความทุกข์กับจิตมันแยกออกจากกันจะเห็นเลยว่า <actually is surviving> ความสุขความทุกข์มันของโลกนะไม่ใช่ของเราหรอกค่อยๆล้างความเห็นผิดไป จ า, จากตัวเรานะ้ําก็เป็นของเราจากของเรากลายเป็นของโลกเราไม่เกี่ยวกับเราแล้วนะเป็นสภาวะธรรมเนี่ยหัดดูไปทีละอย่างทีละอย่างหรือดูสังขารนะคือความปรุงทั้งหลายในจิตเช่นโลภโกรดหลงแต่ก่อ น, นี็ว่าเราโกรดนะดูไปดูไปเห็นว่าความโกรธกับเราเป็นคนละอันกันนะเห็นไปเลยถ้าดูเป็นนะไม่เห็นมันแยกออกจากกันความโกรธอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่ง ไม่ใช่เราโกรธอีกต่อไปละแต่อะไรมันโกรธความโกรธเป็นสภาวะจิตมันโกรธไม่ใช่เราโกรธนะดูไปดูไปนะยิ่งฝึกไปมากมากเพราะว่ามันไม่มีเราในที่ใดเลยร่างกายก็ไม่ใช่เรานะเวทนาก็ไม่ใช่ตัวเราสังขารคือความปรุงต่างๆเช่นความโลภความโกรธความหลงไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่จิตปรุงขึ้นมาชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็สลายตัวไปอย่างพอตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะ กระทบอารมณ์ที่ไม่ถูกใจโทสะก็เกิดโทสะจะเกิดเกิดขึ้นเองเราไม่ได้สั่งให้เกิดขนาดสั่งว่าอย่ากโกรธนะมันยังโกรธเลยมันเกิดขึ้นมาเองมันไม่เที่ยงนี่แสดงว่าจิตไม่เที่ยงจิตตะกี้ไม่ได้มีโทสะจิตตอนนี้มีโทสะนี่จิตมันไม่เที่ยงอีกนี่ดูลงไปนะมันจะซักฟอกด้วยสติด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยการคิดเอานะแต่ด้วยการที่เราไปเห็นสภาวะมีสภาวะทารองรับจริง เห็นรูปธรรมจริงๆเห็นนามมาทำจริงๆเห็นความเกิดดับจริงๆนะเห็นจิตทํางานจริงๆแล้วมันทําได้เองนี่เข้าไปยึดอารมณ์นะปรุงอารมณ์ขึ้นมาปรุงเสร็จแล้วอารมณ์เข้ามาปรุงแต่งจิตอีกนะปรุงกันไปปรุงกันมานะช่วยกันสร้างพบสร้างชาติขึ้นในจิตดูว่จาของจริงลงไปเรืเห็นแต่ของไม่เที่ยงนะดูของจริงในกายในใจใหเห็นแต่ทุกข์นะร่างกายถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาจิตก็ถูก กิเลสตัณหาเนี่ยแหลบีบคั้นได้รับความทุกข์อยู่ตลอดเวลาเลยนะแล้วก็บังคับไม่ได้ร่างกายไม่ใช่ตัวเราเรายืมวัตถุธาตุของโลกมาใช้อย่างประเดี๋ยวนะจะไปกินข้าวนะก็ไปยืมวัตถุธาตุเอามาใช้นะกินเสร็จแล้วก็ขับถ่ายบางส่วนทิ้งไปนะนะคืนโลกไปคืนบางส่วนเก็บไว้บางส่วนกนะ็หมุนอยู่อย่างนี้จริงจรงยืมวัตถุมาใช้ยืมโลกมาใช้นะ จิตใจนะั่นก็หมุนติ้วๆทั้งวันนะเดี๋ยวกิเลสก็ปรุงขึ้นมาเดี๋ยวกุศลก็ปรุงขึ้นมาแต่ว่าไม่ว่าอะไรปรุงขึ้นมาเกิดแล้วดับทั้งสิ้นเนี่ยเฝ้ารู้ลงไปในกายเฝ้ารู้ลงไปในใจรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นนะจิตเป็นแค่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบรริกบานจิตเป็นแค่คนดูเห็น <c oughs> <c oughs> ปรากฏการของร่างกายเห็นปรากฏการของจิตใจไปเนืองๆเห็นบ่อยๆในที่สุดจิตจะเกิดปัญญาจิตมันปิ๊งขึ้นมาสรุปเลยร่างกายเนี่ยหาสาระไม่ได้นะ บางคนเห็นว่ามันไม่มีสาระเพราะมันไม่เที่ยงบางคนเห็นว่ามันไม่มีสาระเพราะมันเป็นทุกข์บางคนเห็นว่าไม่มีสาระเพราะมันบังคับไม่ได้ดูจิตใจก็เหมือนกันนะหาสาระแก่นสารไม่ได้เพราะมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันเพราะเราเห็นว่ากายใจรูปนามของเราเนี่ยหาสาระแก่นสารไม่ได้ความยึดถือจะหมดไปเองเราสั่งให้จิตเลิกยึดถือกายเลิกยึดถือใจไม่ได้จิตจะเลิกยึดถือเอง แต่อยู่ๆไม่เลิกยึดถือหรอกต้องพาให้จิตเรียนรู้ความจริงของกายของใจความจริงของกายของใจคือไตรลักษณ์ไม่จะเห็นได้มัญหาสาระไม่ได้เพราะมันไม่เที่ยงเพราะมันเป็นทุกข์เพราะมันเป็นอนัตตาเพราะมันรู้ความจริงจิตจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจเองกนะายก็อยู่ส่วนกายใจก็อยู่ส่วนใจปล่อยทิ้งนะไม่ยึดถือเลยแล้วมันจะเข้าไปเกิดธรรมชาติขึ้นอีกชนิดหนึ่งเกิดสภาวะธรรมขึ้นอีกชนิดหนึ่งเป็นสภาวะที่รู้อันบริสุทธิ์เกิดขึ้น รู้ของพวกเราเป็นรู้ปนเปื้อนไม่ใช่รู้บริสุทธิ์หรอกรู้ที่ถูกกิเลสตันหาถูกอวิชชาครอบงํามันมีรู้อีกชนิดหนึ่งนะไม่มีจุดไม่มีดวงไม่มีขอบไม่มีเขตไม่มีที่ตั้งไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการเกิดการดับนะเป็นธาตุที่แปลกๆอีกอย่างหนึ่งธาตุตัวนี้รวมเข้ากับสุญญตาสุญญตาค่อยฝึกนะ อัศจรรย์แต่ว่าไม่เหลือวิสัยที่เราจะทำได้นะทได้ในมนุษย์ธรรมดานี่เองถ้ารู้ทางแล้วก็ขยันทำทำผิดทางไม่ได้กินหรอกนะงันเรียนให้ดีพระพุทธเจ้าคือผู้บอกทางนะทางนี้ก็คือศีลสมาธิปัญญานะอยากมีศีลสมาธิปัญญาก็ฝึกสติให้ดีคอยรู้ทานจิตใจตนเองไว้ก็ดีนะกิเลส ใดๆเกิดขึ้นเรารู้ทันกิเลสครอบงำจิตไม่ได้ศีลก็เกิดนิวรณใดๆเกิดขึ้นเรามีสติรู้ทัน น, นิวรครอบงำจิตไม่ได้สมาธิมันก็เกิดมีจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูมีสติะระลึกรู้ความจริงของกายของใจปัญญาคือการเห็นไตรลักษณ์ก็เกิดปัญญาเกิดนะแต่ปัญญาเกิดลอยๆไม่ได้ มีศีลมีสมาธิเป็นฐานรองรับขึ้นมาแล้วช่วยกันทํางานศีลสมาธิปัญญาช่วยกันทํางานเต็มที่สมบูรณ์เต็มที่สมดุลกันที่จิตเรียกว่ามันสามัคคีกันองค์มรรคทั้งหลายเนี่ยสามัคคีกันครูบาอาจารย์ชอบเรียกว่ามรรคสมังคีที่มันสามัคคีกันในตํารานักทําเอกยังมีว่าว่าสามัคคีกันเนี่ยมันสามัคคีคือมันเกิดร่วมกันน้ะทํางานร่วมกันนะ ทำกิันเดียวกันนะีคือล้างกิเลส ด, ด้วยกันนะล้างแล้วนะอริยมรรคก็หมดหน้าที่อริยมรรคก็ดับดับไปพร้อมกับกิบกเลสที่ถูกฆ่าตายนะตายไปด้วยกันเลยนะอริยมรรคกับกิเลสตายไปพร้อมๆกันเลยเกิดอริยผลขึ้นแทนนะอริยผลเป็นโลคุตตะผลนะอริยมรรคเป็นโลคุตตะลเหตุ เมื่อโลกุตตะผลเกิดขึ้นแล้วโลกุตตะผลจะดับได้ไหมดับได้เพราะเหตุมันดับนะตัวมันอยู่ไม่นานมันก็ดับไปด้วยแต่นิพพานนรอกที่ไม่ดับมรรคก็อย่างหนึ่งนะผลก็อย่างหนึ่งนะนิพพานก็อีกอย่างหนึ่งนะถึงจะเป็นโลกุตตะธรรมด้วยกันแต่ก็ไม่เหมือนกันมรรคกับผลนะั้นเกิดแล้วดับนิพพานไม่มีเกิดเพราะงั้นนิพพานไม่มีดับคนละสภาวะนะ ให้ภาวนานะรักษาศีลห้าไว้ก่อนฝึกจิตฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวจิตหนีไปรู้ทันจิตหนีไปรู้ทันแต่อย่าบังคับไว้พอนะจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วดูการทำงานของกายดูการทำงานของใจเรื่อยไปจะเห็นแต่ไตรลักษณ์ถ้าเห็นพอเห็นแจ้งศีลนะ ส, สมาธิปัญญาหรือองค์มรรคทั้ง8เนี่ยจะประชุมกันลงที่จิตดวงเดียวนะจะประชุมลงที่จิตดวงเดียว ไปทานข้าวไปไปให้ทาดหไหลเวียนหน่อยนะ